บัรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมรมสการประภูมิประพาพ อรหันต์สมมาสัพพิตรเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและพระสงค์เป็นสรณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในสติปัฏฐาน ทั้งสี่คือตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมได้มีพระพุทธาธิบายไว้ในประสูตร์ใหญ่แห่งสติปัฏฐานตั้งตนแต่อาณาปานาปร ะ, ระคือข้อว่าดิลมให้ใจเข้าออกในมวดกายานุปัสนา จะตั้งสติตามดูพิจารณากายและได้มีอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมโดยยกเอา ลมหายใจเข้าออกเป็นทางปฏิบัติตลอดทั้งสี่ข้อคือการปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวนี้เป็นสติปัฏฐานได้ทั้งสี่ข้อเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนสามารถกำหนดตั้งสติดูลงไม่ใจเข้าออกสำเร็จเป็นสติปัฏฐานได้ตั้งแต่ข้อกายต่อไปข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเพราะฉะนั้น วันนี้จะได้จับอธิบายแนวปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้โดยอาศัยตั้งสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกเป็นที่ตั้งลมไม่ใจเข้าออกนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนสามารถกำหนดตั้งสติดูลมไม่ใจเข้าออกสำเร็จเป็นสติปัฏฐาน ได้ตั้งแต่ข้อกายต่อไปข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้จับอธิบายแนวปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้โดยอาศัย ตั้งสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกเป็นที่ตั้งทุกคนมีลมไม่ใจเข้าลมให้ใจออกของตนเองอยู่แล้วเป็นประจำจึงให้ปฏิบัติในเบื้องตน้นตามที่ตรัสแนะนำไว้ในพระสูตรคือเข้าสู่ป่าคนไม้เรือนว่าง อันเป็นที่เรียกว่ากายวิเวกสงบกายข้อนี้เป็นจุดต้องการแม้ว่าจะไม่อาจไปสู่ป่าสู่คนไมเ้เลือนว่างได้ก็ปฏิบัติทำจิตนี้เองให้ มีป่ามีเรือนมะมีคนไม้มีเรือนว่างในใจิตใจให้เป็นป่าเป็นคนไม้เป็นเรือนว่างในใจิตใจคือทำจิตใจให้สงบไม่กังวล ถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆที่เรียกว่าเป็นบ้านหรือเป็นหมู่ชนแต่ให้ว่างจากสิ่งต่างๆจากหมู่ชนจากที่ไหนก็ได้อันเป็นที่ที่ตนอาจจะหาได้ในวัดก็ตาม เช็นในที่นี้หรือในบ้านของตนเองก็ตามแปลว่าสร้างความเป็นปา่าความเป็นคนไม้ความเป็นเรือนว่างในใจิตใจคือให้จิตใจนี้ว่างให้สงบสงัดดังนี้ก็ใช้ได้และนั่งขัดบรรลัง คือขัดสมาธิหรือเมื่อไม่สามารถจะนั่งในอิริยาบถไหนจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ว่าให้พยายามตั้งกายตรงทำสติให้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าไม่ให้พุ่งใา่ไปข้างไหนโดยมีสติให้ใจเข้า มีสติให้ใจออกหนึ่งให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าอะไรให้เราให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้อะไรให้รู้ว่าเราให้ใจออกยาวสองให้ใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าเราให้ใจเข้าสัน้น หายใจออกสั้นว่ารู้ว่าเราหายใจออกสั้นอันล้มหายใจเข้าออกนี้เมื่อย้มไม่ได้ปฏิบัติยอมเป็นไปโดยปกติเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือหายใจถึงท้องติดผองขึ้นเมื่อหายใจเข้าและยุบลง เมื่อให้ใจออกซึ่งพระอาจารย์ได้ตั้งจุดสำหรับกำหนดไว้สามจุดเมื่อให้ใจเข้าจุดแรกก็คือปลายจมูกหรือหลังปากเบืองบนจุดกลางก็คืออุระหรือทรงอกภายในและจุด ที่สามก็คือนาพีและในขณะหายใจออกจุดที่หนึ่งก็คือนาพีจุดที่สองก็คืออุระหรือทรงอกข้างในจุดที่สามก็คือปลายจมูกหรือริมพ่ปากเบื้องบนสำหรับปลายจมูกหรือริมพิปากเบื้องบนนั้น ผู้คนอาจรู้ได้โดยความกระทบของลมเมือ่อหายใจเข้าและเมือ่อหายใจออกลมจะ ก, กระทบที่ลมจะ ก, กระทบที่จุดนี้ทำให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงกำหนดลมหายใจได้ที่การกระทบเมื่อหัดจะจัดเป็น อาณาจัในภายนอกที่มากระทบกันก็จัดได้เพราะว่ากายและผลทัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องริมพิปากเบื้องบนหรือปลายระพุ่งจมูกเป็นกายลมหายใจเป็นผลจัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องหรือสิ่งที่มาถูกต้องกาย กายและผลสัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายมากระทบกันที่จุดนี้ในการหายใจส่วนจุระกับนาพีนั้นไม่ทราบซึ่งความกระทบได้เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่า นาพีที่พองขึ้นและยุบลงเท่านั้นแต่อันที่จริงนั้นตามกายังมีภาควิทยาลมไม่ใจนั้นย่อมเข้าไปสู่ปอดแต่ว่าไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้จะกำหนดรู้ได้ที่ความเคลื่อนไหวของนาพีที่พองขึ้นและยุบลง เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติกรรมฐานจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายจึงต้องกำหนดเอาที่นาภีที่พองหรือยุบว่าเป็นจุดที่สุดของการให้ใจเข้าและเป็นจุดตั้งตนของการให้ใจออกและก็กำหนดอุระ สมมติเอาว่าเป็นจุดกลางของการหายใจส่วนที่ริมผิปากเบื้องบนหรือแปลงกระพุ้งจ ม, มูกนั้นเป็นจุดเดียวที่กำหนดลมหายใจเข้าออกได้แต่ว่าก็ได้้วยกำหนดทางกายและผลธพะคือสิ่งที่กายถูกต้องลังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้นพระอาจารย์และนักปฏิบัติทางกรรมาฐานข้อนี้จึงมีนิยมกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมปากเบื้องบนนั้นจุดหนึ่งหรือว่ากำหนดที่นาพีที่พองหรือยุบหรือว่า กำหนดที่อุระเองคือที่ทรงอกข้างในพระอาจารย์ทางปฏิบัติ บ, ตบางท่านก็กำหนดที่อุระคือทรงอกข้างในดังนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจหรือจะทำในสะดวกในจุดไหนแต่ท่านก็สอนให้ ว่าในเบื้องต้นนั้นให้กําหนดทั้งสามจุดคือให้ทําสติตามดูลมหายใจเข้าจุดแรกก็คือปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบืองบนจุดที่สองก็คืออุระด้วยทรองอกข้างในจุดที่สามก็คือนาภีและเมื่อหายใจออกก็ตามดูจาก นาพีเป็นจุดที่หนึ่งอุระเป็นจุดที่สองปลายกระพุ้งจมูกจม่ปากเบื้องบนเป็นจุดที่สามให้ตามดูการให้ใจเข้าหรืนลมให้ใจเข้าตามดู การหายใจออกลมหายใจออกดังนี้อยู่บ่อยๆจนจิตรวมจึงยุติการตามดูทั้งสามจุดนั้นให้เหลือแต่จุดเดียวเหมือนอย่างว่าในที่แรกนั้นเดินตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปมา ไปมาทั้งสามจุดแต่ว่าเมื่อคุ้นเคยกับทางของการให้ใจดีแล้วก็หยุดนั่งดูอยู่จุดเดียวคือบางอาจารย์เขาสอนให้นั่งดูที่จุดปลายจมูกหรือมีปากเบืองบนบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่นาผี บางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่อุระภายในแต่เพียงจุดเดียวในการปฏิบัติที่แรกนั้นสติก็เหมือนอย่างเดินเข้าเดินออกสามจุดแต่ว่าในขั้นต่อมานั่งดูอยู่จุดเดียวแต่ว่าให้รู้ทั้งหมดเปรียบเหมือนอย่างว่าคนนั่ง ไวเด็กที่นอนในโอสำหรับไว้หรือว่าคนนั่งที่คนชิงชาดูเด็กที่นอนในชิงชาแล้วก็ไวยเด็กไปไวยเด็กมาก็มองเห็นชิงชาเรือ่องมองเห็นเปลอโอเปลงกี่แกว่งไปแกว่งมาด้ตลอด เพราะฉะนั้นแม้จะนั่งดูอยู่ที่จุดเดียวก็มองเห็นลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเมื่อเห็นอยู่ตลอดดังนี้จึงจะเรียกว่ามีสติตั้งอยู่เป็นสมาธิในลมหายใจในเบื้องต้นของการปฏิบัติและในชั้นตนนั้น ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ใจยาวเป็นปกนติเรียกว่าหายใจจากต้นทางคือปลายจมูกปลายกระพุ่งจมูกหรือหริมมีปากเบื้องบนจนถึงนาผีขาออกก็จากนาผีจนถึงปลายกระพุ่งจมูกหรือหริมมีปากเบื้องบนดังที่เรียกกันสามัญให้ใจทั่วท้อง อย่างนี้เรียกว่าเป็นหายใจยาวเข้ายาวออกยาวโดยปกติแต่เมื่อได้ต้ัสดีกำหนดจนถึงขั้นนั่งดูดังกล่าวร่างกายก็จะสงบเข้าจิตใจก็จะสงบเข้าเพราะสามารถที่รวมจิตใจได้ เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจเขาจะละเอียดเขาคือจะสั้นเขาตั้งตนแต่อาการของร่างกายในการหายใจคือนาภีที่ผองรยุบเคลื่อนไหวดูดูปกตินั้นจะเคลื่อนไหวน้อยเขา้าผองยุบน้อยเขา้า จนถึงการหายใจเข้าการหายใจออกก็จะเป็นไปแกล้ๆกับครึ่งท้องไม่เต็มท้องและเมื่อร่างกายละเอียดจิตใจละเอียดสงบมากขึ้นอีกการหายใจรดยไม่ใจนั่นก็จะเป็นเหมือนไปจด นาพีาการเคลื่อนไหวของนาพีก็จะน้อยเข้าน้อยเข่าจนถึงไม่เคลื่อนไหวแต่ความจริงนั่นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่แต่ว่าอย่างละเอียดอย่างนี้เรียกว่าสันเขา่าเป็นไปเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติขั้นนี้ เป็นล่อยให้เป็นไปเองไม่ตั้งใจจะทําให้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติซึ่งลมหายใจที่เป็นไปโดยปกตินี้ที่แรกก็จะต้องยาวหายใจทั่วท้องตามปกติและเมื่อได้มาปฏิบัติก็จะสั้นเก่าเองดังที่กล่าวนั้น กันนั่นจึงให้ทำความรู้อยู่ตามเป็นจริงหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นไปเองโดยปกติอีกอย่างหนึ่งเป็นการทำการหายใจให้ยาวหรือสั้นในการปฏิบัติเบื้องตน้นเช่น ต้องการทำให้ยาวเวลาให้ใจเข้าเริ่มตั้งแต่เมื่อลมถึงรายกระพุ้งจมูกหรือลมหรือรอมที่ปากเบืองบนก็นับหนึ่งแล้วเรื่อยไปจนถึงเก้าคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าเมื่อถึงเก้า ก็ให้ถึงท้องพอดีที่ผองขึ้นนี่ในการให้ใจเข้าส่วนในการให้ใจออกก็รมนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มหายใจออกจากนาพีด้วยขึ้นมาให้ครบเก้าเมื่อถึงปลายกระบองจมูกหรือิปากเบื้องบน นับหนึ่งถึงเก้าไปไปมามาดังนี้เป็นการทำขึ้นนี่เรียกว่าให้ใจยาวคราวนี้การทำให้ให้ใจสั้นก็นับอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้เหลือหกหนึ่งถึงหกเมื่อให้ใจเข้าหนึ่งถึงหกเมื่อให้ใจออกนี่เรียกว่าสั้น ให้สั้นเกาอีกนับเหลือแค่หนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามให้ใจเข้าหนึ่งสามให้ใจออกปฏิบัติดังนี้ก็ได้ในการเบื้องตน้นเป็นการทำการหายใจให้ยาวหรือให้สัน้นตามต้องการแต่ว่าการทำการหายใจนี่หากต้องการจะลองทำดูก็อาจจะ ทำได้แต่ในการปฏิบัติเป็นประจำนั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาต้องการให้ใจและก็ให้เป็นไปยาวตามธรรมดาและเมื่อปฏิบัติจนถึงรวมจิตรวมใจได้ดีก็สั้นเข้ามาเองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาดังนี้จะดีกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดังกล่าวมานี่ คือขั้นที่หนึ่งยาวขั้นที่สองสั้นเป็นการปฏิบัติในเบื้องตน้นและเมื่อสามารถรวมใจได้ดีพอสมควรแล้วก็เลื่อนมาเป็นขั้นที่สามคือสามศึกษาคือสาเน็จ ก, กำหนดว่าเราจัก รู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าศึกษาคือสาเด็จกำหนดว่าเราจักยุเราจักรู้กายทั้งหมดให้ใจออกข้อนี้ต้องมีการศึกษาคือความสาเด็จกำหนดด้วยเจตนาคือความจงใจว่า จักรู้กายทั้งหมดพร้อมไม่กับหายใจเข้าพร้อมไม่กับหายใจออกอันกายทั้งหมดนั้นท่านอธิบายกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นคาอธิบายของพระอาจารย์ในชั้นเดิมว่ากายนั้นมีสองอย่างคือรู ป, ปกายอย่างหนึ่งนามกายอย่างหนึ่ง รูปน้ำนั่นเองรู ป, ปรกายนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนรูปอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนี่เหมือนอย่างทุกคนมีกายที่นั่งอยู่นี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอุู่เป็นที่สุดโดยรอบทั่วกายนี่คือรู ป, ปรกาย นามกายนั้นได้แก่ใจหากจำแนกออกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะพูดง่ายๆวัดใจประกอบด้วยความรู้ในความคิดอั น, นเรียกวิวตกคือความคิดนึกต่างๆความรู้ความคิดนึกต่างๆนี้คือใจ ให้รู้กายและใจนี้ทั้งหมดทีว่าบัดนี้รูปกายนี้เป็นอย่างนี้ดังในขณะ น, นี้รูปกายนี้กำลังนั่งอยู่นี้นามากายคือใจของตนในบัดนี้เป็นอย่างนี้เช่นในบัดนี้ผู้แสดงก็กำลังแสดงอยู่ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังอยู่ ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดงหรือว่าใจคิดไปทางไหนก็รู้แต่เมื่อใจคิดอยู่ในหน้าที่อย่างในบัดนี้ผู้ฟังก็มีหน้าที่ฟังใจตั้งใจฟังก็แปล ว, ว่าใจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดง ใจก็มีหน้าที่แสดงก็งให้รู้ใจของตนทั้งหมดคิดไปอย่างไรก็รู้จะหากว่าคิดออกไปข้างนอกผิดหน้าที่ก็นำใจกลับเข้ามาตั้งไว้เพื่อที่จะแสดงเพื่อที่จะฟังไปตามหน้าที่พร้อมนั้งกายนี้บัดนี้ก็กำลังนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้คือว่า ศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดทั้งรู ป, ปกายทั้งนมามกายนี้ห้ใจเข้าให้ใจออกเป็นอันว่าในขั้นนี้ให้รู้สองอย่างพร้อมกันอย่างหนึ่งก็คือว่ากายทั้งหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้รู้สองอย่างพร้อมกันการรู้อย่างนี้จะให้บังเกิดผลทําให้ใจไม่ไปไหนเพราะว่ามีหน้าที่จะต้องรู้อยู่ถึงสองอย่างที่ต้องรู้กายทั้งหมดด้วยจะต้องรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วย พระอาจารย์ในชั้นเดิมท่านอธิบายอย่างนี้พระอาจารย์ในภายหลังต่อมาท่านอธิบายแคบเข้ามาว่าคำว่ากายทั้งหมดนั้นหมายถึงกองลมเพราะว่ากายแปล ว, ว่ากองแปล ว, ว่าโมแปล ว, ว่าประชมุมเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงกองของลม หายใจหมู่ของลมหายใจอระชุมของลมหายใจเพราะฉะนั้นจึงให้ทำความรู้ลมหายใจทั้งหมดโดยวิธีที่อธิบายมาในเบื้องต้นแล้วคือให้เดินตามดูลมหายใจทั้งสามจุดและเมื่อเดินไปเดินมาโดยสติ ดูลมให้ใจทั้งสามจุดนี้จนจิตรวมตัวเข้าในดีพอสมควรแล้วก็ลงนั่งดูลมหายใจทั้งสามจุดนั่งดูให้รู้ให้เห็นทั้งสามจุดในขณะหายใจเข้านะจะในขณะหายใจออกอธิบายดังนี้เป็นการอธิบายที่แคบเข้ามาพราะลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันจึงจัดเข้าในหมวดกาย ก็เป็นการอธิบายที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นหากถือตามอธิบายนี้ก็ปฏิบัติดังที่กล่าวนั้นคือด้วยสตินี่เองเดินดูนั่งดูลมให้ใจเข้าลมใหออกทั้งสามจุดให้ครบทั้งสามจุดให้สติอยู่ทั้งสามจุดในการให้ใจเข้าและในการให้ใจออกไม่ตกหลน่น ให้ศึกษาคือสาเน็จกาหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจออกข้อสี่ศึกษาคือสาเน็จกาหนดว่าเราจากสงบระงับกายสังขารให้ใจเข้าเราจากสงบระงับกายสังขาร หายใจออกกายสังขาร น, นั้นแปลว่าเครื่องปรุงกายท่านอธิบายว่าได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองได้ชื่อว่ากายสังขารหรือเป็นเครื่องปรุงกายเพราะร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ก็โดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก ชีวิตของกายนี่ยังดำรงอยู่ถ้าดับลมเสียเมื่อใดก็สิ้นชีวิตเมือ น, นั้นกายก็แตกสลายเพราดังนั้นท่านจึงจัดเอารมณ์ไม่ใจเข้าลามณ์ไม่ใจออกนี้ว่าเป็นกายจะสังขารเรื่องปรุงกายปรุงแต่งกายให้ดำรงอยู่ให้มีชีวิตอยู่แต่คราวนี้ จะทำอย่างไรในการระ ง, งับการสังขารไม่ทำให้สิ้นชีวิตไปหรือก็ตอบว่าไม่ได้มุงให้กลั้นลมให้ใจเข้าออกก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกไม่มีใครที่จะหยุดได้หยุดเมื่อใด ร่างกายก็แตกสลายเมื่อนั้นสิ่งชีวิตเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นระงับกายสังขารนี้จึงมีความหมายว่าระงับการปรุงแต่งที่เป็นส่วนหยาบในการให้ใจการให้ใจนั้นก็ให้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าระงับอาการที่เป็นส่วนหยาบจาการที่เป็นส่วนหยาบนี้ ก็มีสองอย่างคือส่วนหยาบสำหรับคนปกติที่ไม่ ไ, มได้ปฏิบัติคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นการหายใจทั่วท้องโดยปกติก็ชื่อว่าเป็นปกติไม่ใช่หยาบแต่ว่าหยาบนั้นจะต้องมีในขณะที่ฉันวิ่งวิ่งเหนื่อยหอบหายใจหักหัก นั้นยิ่ญญายางนี่สำหรับคนปกติแต่ว่าสำหรับครูที่ปฏิบัตินั้นแม้การหายใจที่หายใจอยู่โดยปกตินี่เกี่ยวหายใจทวดท้องก็ยังหยาบดราะฉะนั้นในการปฏิบัติรำรับนั้นจึงหมายถึงว่าคอยควบคุมการหายใจในขณะปฏิบัติ ให้เป็นไปโดยปกตินี้เองเป็นขั้นตอนขึ้นไปไม่ไปบังคับหายใจสั้นหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติคือเมื่อเราให้ใจละเอียดเข้าเพราะเห็นว่าจิตละเอียดสงบกายละเอียดคือสงบหายใจก็สงบเข้าอาการหายใจของร่างกาย ที่ปรากฏเช่นทองที่ผองหรือยุบก็จะน้อยเข้าน้อยเข้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นแล้วในขั้นนี้ก็จะต่อไปอีกหน่อยหนึ่งว่าเมื่อจิตสงบมากขึ้นร่างกายสงบมากขึ้นอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทำให้เกิดอาการเช่น หรือว่าเกิดอาการอย่างอื่นเช่นวันร่างกายนี้เองที่โอนเองนไปข้างหน้าบางโอนเอ็นไปข้างหลังบ้างข้างขางบ้างหรือว่าเกิดอาการเมื่อยเจ็บต่างๆของร่างกายเป็นเหน็บบ้างอะไรบ้างเป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องของการจะสังขาร คือปรุงแต่งทางกายทางนั้นการเกิดจากการปฏิบัติทางกรรมฐานข้อนี้หรือข้ออื่นก็ตามต้องตั้งใจรำงับไม่ให้มีอาการเช่นนั้นเมื่อมีอาการเช่นนั้นมาเกิดขึ้นก็ให้ทําความรู้รู้แล้วก็ให้จัดร่างกายของตเนเจามีการ คนเอนไปข้างหน้าข้างหลังข้างๆก็ให้ร่างกายโดนตั้งตรงให้สงบเป็นปกติหอบก็ให้ทําจิตให้เป็นปกติไม่หอบหรือไม่ให้ขัดข้องตืดอัดก็เหมือนกันหรือว่ามุ่เมื่อเจ็บก็จะต้องจัดการปรับเปลยนกิริยาบทหรือว่ารับความเมื่ยเจ็บด้วยการเพ่งดูเวทนาเป็นต้น ให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ปกติไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนอะไรเข้ามาและให้สงบไปสงบไปลมหายใจก็จะสั้นเราเองสั้นเราเองจนถึงรู้สึกว่าท้องเองก็ไม่พองไม่ยุบรู้สึกว่าหายใจแค่ถึงอุระแต่อุระออกเท่านั้นแล้วต่อไปก็ไม่ถึงอุระเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกแล้วต่อไปก็จะ รู้สึกเหมือนยังว่าที่ปลายจมูกก็ไม่ปรากฏแต่ความจริงหายใจใหายใจเข้าหายใจออกอยรุ่นเดีดนั้นเองแต่ว่าอย่างละเอียดมากทําไมจางละเอียดเพราะว่าร่างกายละเอียดและจิตใจก็ประณีตละเอียดด้วยด้วยความสงบก็ด้วยสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งไม่หอกแวกไปข้างไหนดังนี้แหละจึงจะถึงขั้นที่สุดของ กายานุปัสสนากานเกี่ยวแก่ลมหายใจเข้าออกนี้กาเป็นขั้นที่สี่ต่อไปนี้กเขาให้ตั้งใจฟังสูตรตั้งใจจังหวัดงวดสืบต่อไป